أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلى للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرحي صدري و ي س ر لأمري و ه ل ة ق و ق ن لسان يفقه و ل رب د ن ا علما نافيا ورسكا طيبا وعملا م ت ق ب ل ا ل ا ل ل ه ملكالحمد حتى ترضى ولكالحمد إذا ر ض ي ب ولكالحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا ع ب د, د ه ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كله الكافرون وقد ก د ะเดาเ ا ن ับลลั الرسالة ونصح الأم و ج ا ه د في الحق تهادي فجزاه الله أنى وأن أمتي خير ما جازاه نبيا أن أمتي أما بع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ق د ال ق ل ا ل الله تعالى في كتاب الكريم بعد عود بالله مشيطان وتيم قد أفلح من ت ز ك ى ว่าการสัมรับพี่ฟ้าละบัลทุเอซิรุณะชีวิตดีและชีวิตดีและชีวิตดีและชีวิตดีและัีวีตดีและชีวิตกีและชีวิตดีแลับมาิตดีแัะชีวิตีและชีวิต ด, ดีแล ะ, ะชีวิตดีและชีวิตดีและชีวิตดีละีวิตดีและชีวิตี่ละิตดีและชีวิตดีและชีวิตดีและชีวิตดีและเีวิตดีและชีวิตดีและชีวิตะชีิตดีและชีวิตดีและชีวิตดีและชาว เรายังคงพูดคุยกันอยู่ในส่วนของสุร a t al a'la s u r a t u ครับในส่วนของอายะที่1 4บ5ี่สิบากอ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ แน่นอนผู้ที่เขาได้ทำการขัดเกลวนั้นเขาย่อมประสบความสำเร็จเขาย่อมได้รับชัยชนะเขาคือผู้ที่ได้ลำนึกถึงพระนามแห่งพระผู้อวยารของเขาแล้วเขาก็ได้ลำมา ในที่นี้ครับพวกเราซุบฮานุอัลตราได้พูดถึง3ามเงื่อนไขของบุคคลที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงอย่าลืมครับคาว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเรามองในมุมมองของมุสลิมเรามองในมุมมองของภาพกว้างภาพใหญ่จริงๆเราดูจนเราเข้าใจจริงๆว่าอะไรนะคือความขาดทุนที่แท้จริงแล้วอะไรคือกําไรที่แท้จริงอะไรคือผลประโยชที่แท้จริงซึ่งในใยักูร่านะครับพวกเ ร, เราได้พูดถึง3าอย่างถูกไหมครับใน ช่วงของสองอายา น, นี้ก็อัฟละฮามันตะยะกะผู้ที่เขาได้ขัดเกลวเนี่ยเขาจะประสบกับความสําเร็จขัดเกลวซึ่งเราได้พูดคุยกันแล้วว่าดะการอสมารอบีฮีแล้วเขาก็ได้คิดถึงใครควรถึงพระนามของนายของเขาใครควรถึงพระนามของนายของเขาก็คือขัดเกลวแล้วก็คิดถึงอัลลอฮหัวซ้อนแล้วเขาก็ได้ทําการละหมาด3อย่าง ขัดเกลคิดถึงละหมาดขัดเกลวคิดถึงละหมาด ต, ตรงคําว่าแยกรอนะครับคิดถึงเนะี่ยรำลึกถึงหรือว่าพูดถึงความหมายได้ทั้งหมดเลยสมเงื่อนไขนี้ครับนักวิชาการเนะี่ยได้มาให้คําอธิบายนะครับว่าคําอธิบายของสมเงื่อนไขเนี่ยนะมองในมุมไหน ม, มองในมุมมองไหนได้บ้างซึ่งไม่ว่าจะมองในมุมมองใดก็ตามเราก็ร้วนได้รับสาระ ล้วนเป็นการอธิบายที่งดงามทั้งสิ้นซึ่งผมอยากจะนํามาเสนอให้กับพี่น้องในตอนนี้นะครับว่าสามอย่างที่โพวล้อเก่าในกุรานเนี่ยผู้ที่ได้ขัดเกลวผู้ที่ได้รำลึกถึงนาย ข, ของเขารำลึกถึงนามของนายของเขาแล้วก็ผู้ที่ได้ละหมาดเนี่ยสามเงื่อนไขเนี่ยจะทํายังไงให้มันมาอยู่ในร่างกายของเราต้องได้ต้องเข้าใจก่อนว่าสามเงื่อนไขนี้สื่อถึงอะไรได้บ้างอะไรคือความเป็นไปได้นะครับผม สำหรับคุณัสไสว์นครับสลามมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้คุสามอับตุลลอฮ์วะบาร์กัดูเช่นเดียวกับคุณชาดีอานะครับสลามยามเช้าเช้าเช้าสายสายอ่ะครับผมรับต่อรับชมต่อเจซากุณรลอยคารังขอบคุณมากครับผมหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ประโยชน์จากการใช้เวลาร่วมกันตรงนี้ไปพร้อมๆกันอีกสามรอบครับนักชาติการบางส่วนครับมองว่าสามเงื่อนไขเนี่ยแต่แจ๊กเกอ กับแะกาโรสมารบบีฮเนี่ยการขัดเกลากับการพูดถึงพระนามของผู้วิบาลเนี่ยก็คือการที่มุสลิมนั้นกล่าวชาฮัดะและอิลาห์อิลลัลลอฮออกมาจากหัวใจของเขาอย่างแท้จริงแปลว่าสองเงื่อนไขแรกเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้กล่าวกลิมาชาฮดะ ah ah เพราะอย่างที่รู้ครับไม่มีทางที่ประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมครับถ้า ไม่ยอมรับให้พู้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ยอมรับอิสลามเป็นศาสนาเดียวเท่านั้นสำหรับเขาแล้วก็ไม่ยอมรับท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุลเลสลัมเป็นศาสนาทูตของเขาใครก็ตามไม่ยอมรับหนึ่งในสที่ว่ามานี้จะเป็นผู้อัลลอฮ์ในฐานะที่เป็นพระเจ้าอิสลามในสาสนะที่เป็นศาสนาหรือท่านนบีมูฮัมหมัดสลลัลฮุลเลสลัมในสถานะที่เป็นศาสนาทูตใครปฏิเสธหนึ่งใน3ข้อนี้เขาไม่มีทางจะประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาได้ ซึ่งก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราได้พูดคุยกันไปประมาณสองตอนแล้วนะครับว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องของทรัพย์สินไม่ใช่ในเรื่องของความร่ํารวยไม่ใช่ใเรื่องของความมั่งคัง่งไม่ใช่ใเรื่องของความสนุกสนานในดุนยาเพราะดุนยามันแค่ห้องสอบซึ่งมันก็จะจากไปเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จมันคือภาพรวมกว่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ประการแรกครับเขาต้องกล่าว การิมาชาฮัดาเส้นการกล่าวนี้ต้องออกมาจากใจแต่ซักกาเขาต้องขัดเกลาจิตใจของเขาจากที่เคยทำชีริกจากที่เคยโอ้วอัจากที่เคยไม่ยอมรับพระเจ้าจากที่เคยทำแต่สิ่งที่ชั่วร้ายบริโภคแต่สิ่งที่ไม่ดีเขาก็ต้องเริ่มจากขัดเกลวใจของเขาให้สะอาดยอมรับในพวกลอสุภานุวัตระยอมรับในบทคำสอนต่างๆที่พวงได้กำหนดแล้วก็ยอมรับในบททดสอบต่างๆที่มันจะมาหาเขาใจเขายอมรับศรัทธาต่ซักกา ว่าัการ์สมารับบิีแล้วเขากได้พูดออกมาเป็น شهاد า, าว่าฉันเห็นอัลลอฮ์อิลลฮ์อิลลัลลอฮฺแะฉันเห็นอันนามุฮัมมัดอับดุลฮฺรัซูดูฉันขอยืนยันฉันขอเป็นสักขีพยานว่าไม่มีพระเจ้าเด็ดขาดไม่มีผู้ใดที่คู่ควรที่จะได้รับการสักการะนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอวยสลัมนั้นเป็นศาสนทูตของพระ อ, องค์เป็นบ่าวของพระ อ, องค์นี่คือสองเงื่อนไขแรกที่ไม่มีใคร ค้านแน่นอนถูกไหมครับเป็นสองเงื่อนไขที่นักวิชาการทุกคนเห็นพ้องต้องกันตกทวากะรสมารอบบีหีัซลเงื่อนไขข้อที่สามคือเขาต้องทำการละหมาดพี่น้องครับทัศนคแรกบอกว่าไงครับ ที่พวกเราเกล่าวว่า God Allah มันแต่จะก้ว่า The c r o s Morbby h e a a s n หมายถึงใครก็ตามที่ใจของเขาศรัทธาอย่างแท้จริงและเขากล่าวกลิมาิบายในอัลลอฮ์แล้วเขาได้ละหมาดเพื่ออัลลอะ์นี่แหละคือบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จเพราะเขาได้ทำให้การศรัทธาของเขาสมบูรณ์แล้วเพราะการศรัทธาอย่างที่พวกเราทราบครับถ้าหากว่าเราไม่รู้จักอิสลามเราอาจจะเข้าใจว่าการศรัทธานั้นเป็นเรื่องหัวใจอย่างเดียว มีอลอในใจก็พอแล้วมีสิ่งที่เราเชื่อในใจก็จบแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การศรัทธามันต้องเกี่ยวพันกันหมดมันต้องหัวใจที่บริสุทธิ์กรันออกมาเป็นคําพูดที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในใจพูดกระทั่งพูดที่สิ่ในสิ่งที่สะอาดใจสะอาดพูดสิ่งที่สะอาดใครก็ตามใจสะอาด พูดสะอาดแต่ยังทำศกระปกเราไม่มีทางเรียกว่าเขาเป็นผู้ศรัท ธ, ธาถูกไหมครับพฤติกรรมก็ต้องสะอาดด้วยและนี่แหละครับคือ3องค์ประกอบของการศรัท ธ, ธาไม่มีสิทธิที่ใครจะอ้างว่าเขาศรัท ธ, ธาจนกว่าเขาจะได้ทำสามอย่างนี้ให้มันสอดคล้องไปด้วยกันใจของเขาสอดคล้องกับคำพูดคำพูดสอดคล้องกับพฤติกรรมมี3มอย่างถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ศรัท ธ, ธา ถ้ายังไม่ครบเราก็เรียกว่าเป็นมุสลิมก่อนเป็นมุสลิมอาจจะมีแต่คําพูดใจยังมาไม่เต็มร้อยหรือใจนะ่ะมาแล้วคําพูดมาแล้วแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยยังขานอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นมุสลิมอยู่ก็ถือว่าเป็นมุสลิมเป็นบาวของผู้อัลลอฮ์แต่ยังไม่ใช่ผู้ที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นทัศนะแรกกล่าวไว้งดงามมากครับเขาบอกว่าเนี่ยในอายะห์เนี่ยที่อัลลอฮ์กล่าวไว้สามอย่างคือ3ามองค์ประกอบของการศรัทธา หัวใจที่ส ะ, สะอาดลิ้นที่พูดสิ่งที่สะอาดพฤติกรรมที่ทําพฤติกรรมที่สะอาดแล้วที่กล่าวถึงการละหมาดเพราะการละหมาดเป็นหัวใจหลักของพฤติกรรมถูกไหมครับผมอิสลามมีกฎกำหนดลูกพฤติกรรมมกากรรมายมีเรื่องของการละหมาดมีการจ่ยจายสกาดมีการถือศีลอดมีการทําฮัจจ์มีเรื่องของมารยาทมีเรื่องของคุณธรรมมีเรื่องของอะไรมากมายแต่สิ่งที่อยู่สูงสุดอย่างที่พเราทราบก็คือคือการละหมาด เพราะฉะนั้นพวกล้อก็พูดถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเป็นมุสลิมว่าคุณต้องละหมาดคุณไม่มีทางเป็นคนดีได้ถ้าคุณไม่ละหมาดต่อให้คุณจะบริจาคต่อให้คุณจะช่วยเหลือต่อให้คุณจะถึงสินอดต่อให้คุณจะไปทำฮัจจ์ถ้าไม่ได้ละหมาดคุณไม่มีทางที่จะประสบชัยชนะได้เพราะฉะนั้นพวกล้พูดถึงพิธีกรรมแล้วก็พูดถึงพิธีกรรมที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการละหมาดเพราะฉะนั้นใครอยากประสบความสำเร็จในชีวิตครับห้ามทิ้งละหมาด เด็ดขาดหัวเด็ดติ้นขาดยังไงห้ามทิ้งเด็ดขาดพี่น้องเพราะนี่คือหัวใจของการศรัทธาของเราสิ่งที่แสดงว่าเรานั้นเป็นผู้ศรัทธาเพียงใดครับคุณราดีซอ์นะครับสลามมาจากยะลาวันคุณสลาบบลมหมดตัวล้อมาประกาศทุชัดเจนนะครับผมคุณแจ๊ดฟารุกนะครับสลามมาก็วันคุณสลามหมดตัวล้อมาประกาศทุกพนัการชัดเจนแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณมากมากครับจัดจากคุณลคร้เท่าดใดที่ผมเห็นข้อความขอมาอัพอีกครั้งหนึ่งนะครับผม นั่นคือทัศนะแรกครับที่อธิบายคําว่ากอตอัปลามันเตซะะะักกบูดาคาร์สมารบบีฟาันละทัศนะที่2ครับเขามองว่าอายะทั้งทั้งหมดเนี่ยทั้ง3าอย่างเนี่ยเกี่ยวพันกับอิบาระที่เกิดขึ้นในวันที่มุสลิมมีความสุขที่สุดหลังจากที่ทําอิบาระที่ยิ่งใหญ่แล้วก็คือหลังจากเสร็จสิ้นจากเดือนรมฎอน มุสลิมเราก็จะมีความสุขเพราะพระองคสั่งให้เรามีความสุขหลังจากที่เราได้ทําอามะดีบาดะมาอย่างเต็มที่เราก็มีความสุขในวันอิดีนฟิตรีถูกไหมครับในวันอิดีนฟิตรีเราทําอะไรกันบ้างครับอิดีนฟิตรีเราจ่าย zakat alfit ถูกไหมครับจ่ายต a k a t fitra บริจาคเป็นข้าวสารเป็นอาหารให้งให้กับคนยากจนนี่คือแตะรัากการเพราะที่เราพูดคุยกันไปแล้วว่า zakat า ก, าการบริจาคคือการขัดเกลาเพราะฉะนั้น ทัศนะที่สองนะครับอธิบายว่ากอตอัฟลาฮันเะซปแกผู้ที่ประสบชัยชนะเนี่ยคือผู้ที่เขาได้ขัดเกลาด้วยการได้จ่ายสกาดฟิตรีจ่ายสกาดฟิตร์เสร็จปุ๊บหักัปบาก็ต้องการละหมาดถูกไมครับในการละหมาดเราก็เริ่มด้วยกกคำกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบาร์นี่คือการลรําลึกถึงพระนามของผู้ลอสุมานอุบาทะละ พอเรตักบีเสร็จปุ๊บนั่นเรียกว่าเป็นการสอนและนั่นเรียกว่าเป็นการละหมาดพ น, นทัศนะที่สองมองว่าอายะนี้นะครับที่ทัศนะแรกพูดเนี่ยไม่ผิดแต่ว่าสามารถมองได้ด้วยอีกความหมายหนึ่งว่าอายะกราเนี่ยพู้ที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นจากการถือสิ้อดใช่ไหมคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนดีแล้วคุณอาจจะคุคณสะอาดบริสุทธิ์แล้วต้องมาดูต่อเพราะชีวิตในดุนยามันยังไม่จบจบปรมดอนไม่ใช่ว่าจบการศรัทธา ก็ต้องมาดูวันอีดวันที่คุณมีความสุขที่สุดเนี่ยในความสุขของคุณเนี่ยคุณยังขัดเกลาตัวเองอยู่ไหมหรือว่าพอวันสุขปุ๊บฉันจะพักปุ๊บฉันมีความสุขนี่ฉันก็พักฉันก็ทํำอาไายมุกเพราะมุสลิมเป็นจำนวนไม่น้อยพี่น้องเวลาที่เขาทุ่มทําอามานเนี่ยมาเช้าวะก็ทุ่มเต็มที่เลยแต่พอถึงเวลาเออฉันอยากจะพักอออขอฟังเพลงเลยขอดูหนังเลยขอทําสิ่งที่เป็นฮารอมหน่อยเพราะฉะนั้นในดุนยาเนี่ยมุสลิมเราต้องไม่ประมาทต้องไม่ลเลื่อ แม้ต่ในช่วงที่มีความสุขที่สุดพวกเราบอกว่ามีความสุขเต็มที่ในวันนี้เราก็มีความสุขโดยอยากให้อัลลอฮ์รักเราอยู่เช่นเช่นเดิมเราก็มีความสุขโดยเริ่มด้วย ก, การจ่ายอากาศหลังจากนั้นก็ทําการละหมาดเพื่อขอบคุณพ่ออัลลอฮ์แล้วก็ตักบี๊ขอบคุณพ่ออัลลอฮ์ออกมาจากใจออกมาจากลิ้นแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่เราทําการละหมาดวันอีดอันนี้ก็เป็นคําอธิบายที่2สอง God of Rahman t a z a k ก a ว Wala Karosmarobbi ฟอสอะคำอธิบายที่3ครับคำอธิบายที่3เขาบอกว่าอนเนี้ยทั้งหมดอยู่ในองค์ประกอบของการละหมาดหมดเลยก็อตอัพละฮาผู้ที่จะประสบความสำเร็จคือผู้ที่ละหมาดแล้วต้องละหมาดอย่างสมบูรณ์เริ่มจากอะไรครับแต่รักกกขัดเกลาก่อนก็คือเตรียมใจที่จะละหมาด แล้วก็ทําน้ําละหมาดถูกไหมครับต้องทําให้ใจสะอาดทําให้ร่างกายสะอาดให้เสื้อผ้าสะอาดให้สถานที่สะอาดเพราะฉะนั้นการละหมาดก็เป็นการจําลองชีวิตของผู้ศรัทธาที่เราจะอยู่กับความสะอาดเพราะนั้นก็อฟลามันเตซัากกาผู้ที่ขัดเกลาได้รับชัยชนะแล้วคือผู้ที่ทําน้ําละหมาดอย่างดีแล้วเขาก็ได้ล้ำลึกถึงพระนามของเราด้วยกับตักบิชเช่นเดียวกันก็คือตักเบอรตินเอรอมอ๋อหุอักบัรแล้วเขาก็ทําการละหมาดอย่างนี้ นี่ก็เป็นคําอธิบายที่สามที่มองว่าทุกละหมาดนี่แหละผู้ที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต้องทําให้ครบองค์ประกอบทําการละหมาดให้ออกมาดูดีทําการละหมาดให้ออกมางดงามบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์ฉันละหมาดไม่มีสมาธิเลยพี่น้องครับผมมีวิธีอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องลองเอาวิธีนี้ไปทําผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าคุณภาพการละหมาดของเราจะดีขึ้นแน่นอน ลองเอาไปทําดูก่อนเราได้ผลยังไงมาแชร์กันนี่คือคําอธิบายที่4ี่ครับที่เขาอธิบายว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จเนะี่ยที่เริ่มด้วยกับการขัดเกลา์ํานึกถึงพระ อ, องค์แล้วก็ละหมาดเนี่ยเขาทํำยังไงบ้างทัชชัยที่สี่บอกครับหมายความว่าใครก็ตามนะเวลาที่เขาจะละหมาดเขาจะเริ่มด้วยกับการบริจาคทานก่อนพี่น้องมีใครเคยลองไหมถ้าไม่ยังไม่เคยลองดูครับผม ก่อนที่เราจะละหมาดสมมติเราจะเดินไปมั ส, สยิดหรือว่าเราจะละหมาดที่บ้านหรือว่าไงก็ตามแต่พี่น้องลองดูว่ามีคนยากจนอยู่ไหมลองเริ่มก่อนละหมาดด้วยการบริจาคด้วยกับการขัดเกลีจิตใจของเราด้วยกับการขัดเกลีท ร, ร, รัพย์สินของเราลองเริ่มดูพี่น้องแล้วดูว่าละหมาดจะมีคุณภาพขึ้นไหมลองดูถือว่าเป็นการท้าทายและถือว่าเป็นการท้าเลยเว่ายุคนี้เขาชอบใช่ไหมครับที่ว่ามีเรื่องของท้าเนี่ยนนเนี่ยแชร์เลนเลยลองดู สำหรับมุสลิมอาะถ้าบริจาคล่มบากระพี่น้องอาจจะเอาวันศุกร์เริ่มจากวันศุกร์ก็ได้ก่อนที่จะละหมาดวันศุกร์พี่น้องบริจาค ก, ก่อนแล้วเข้าไปละหมาดหรือบางท่านบอกชนาคนจนไม่เจอทาํายเดีอาจารย์พี่น้องแยกเงินมาเลยส่วนหนึ่งแยกเงินมาเลยอ่ะ20บาทก็ได้อ่ะหรือเท่าที่พี่น้องมีความสามารถอาจจะ50อาจจะร้อยอาจจะสิบาทเรืออจจะเป็นของกินอาจจะเป็นขนมอะไรก็ได้แยกออกมาใส่กระเป๋าเงียบแล้ววันเนี่ยฉันจะเอาบริจาค แล้วเราไปสนัละหมาดในสภาพไหนะแล้วพี่น้องลองดูคุณภาพการละหมาดดีขึ้นแน่นอนครับเพราะหลายครั้งที่เราละหมาดไม่มีสมาธิเพราะเราไม่ได้บริจาคมันเกี่ยวอะไรเดี๋ยวค่อยๆอธิบายครับผมเรามาดูข้ออธิบายก่อนเขาบอกไงนะครับที่สามองค์ประกอบเนี่ยกอตอัฟละฮามันตะซักแกวะดาร์กอสมารบบิฮิฟาสล่าเขาบอกไงครับผู้ที่จะประสบชัยชนะอย่างแท้จริงเนี่ย ก่อนที่เขาจะละหมาดเขาต้องเริ่มด้วยกับการขัดเกลีอย่างแท้จริงนั่นคือต้องมีการจ่าย zakat ก่อนบริจาคให้คนเดือดร้อนก่อนหรืออย่างน้อยก็เตรียมพร้อมที่จะบริจาคคือแยกเกินมาแล้วแต่ z a k a วลา z a รับมารบบีแล้วการละเม่ดถือว่าล้อคือตอนไหนครับตอนเข้ามัสยิดเราจะขอด dua ถูกไหมครับอัลลอฮุมะฟตานีอับวาบาร์ฮามติกหรือ dua บทที่ยาวกว่านั้นหรือ dua บทในก็ตามที่มีสาระจากท่านอับดุลลาห์มุสลัมนี่คือการละเมิดถือว่าล้อไง หลังจากนั้นก็ให้กะทำการละหมาดทัศนะนี้ครับเป็นทัศนะที่อธิบายคำพูดของนักวิชาการหลายท่านที่บอกว่าก่อนที่คุณจะละหมาดเนี่ยหากอยากให้มันมีคุณภาพคุณควรจะเริ่มด้วยกับการช่วยเหลือผู้อื่นก่อนเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราจะละหมาดเนี่ยเราอยากละหมาดให้มีความคุชัวถูกไหมพี่น้องหลายท่านบอกอาจารย์เวลาฉันละหมาดฉันไม่มีสมาธิฉันไม่มีความเกรงกลัว ถ้าอยากมีความเกรงกลัวพี่น้องก็ต้องขัดเกลวหัวใจให้สะอาดก่อนหัวใจขัดเกลวได้อย่างไรด้วยกับการบริจาคไงฮุสต์ ม, มินอัมวาลิฮิมซาดะกตันตุโตฮิรูฮุมวัตุซักกี ฮ, มฮิมบิฮะมุ h มั m a d เจ้าจงเอาส่วนหนึง่งจากทรัพย์สินของพวกเขามาเพื่อเป็นการชำระล้างแล้วขัดเกลวตัวของเขา พัฒรบริจาคคือการขัดเกลาใจเพราะนั้นพี่น้องบอกว่าฉันใจละหมาดฉันไม่มีความกู้ช่วบริจาคพี่น้องบริจาคด้วยความจริงใจต่ออัลลอฮ์้วพี่น้องดูคุณภาพการละหมาดพี่น้องดีขึ้นแน่นอนครับอินชา่าอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของพระเจ้าดีขึ้นแน่นอนลองดูลองดูซึ่งในที่นี้ครับในยกักกวาพระเจ้าบอกเองนะครับคุชมินอวาริมซารุกตันตอให้รูมาตุสกีบิฮาฟัสลลอัลไลหิมพระเจ้าก่าในกุรานครับบางที่ที่บอกว่าเอาทรัพย์สินส่วนหนึ่งมาจากเขานะเเพื่อป็นการ ชำระล้างเพื่อเป็นการขัดเกาจิตใจให้แก่เขาแล้วก็จงซาลาให้กับเขาซาลาที่แปลว่าการละหมาดในที่นี้จริ ง, รงๆแปลว่าการขอพอรหลังนั้นเจ้าก็าจงขอพอรให้กับเขาเพราะจากการขอพอรของเจ้ามันให้ความสงบแก่หัวใจของเขาเพราะว่าเลาะเอามาคู่กันระหว่างการจ่ายอากาศ ก, ากับเรื่องของอัลซาลาพี่น้องครับซาลับยุค ก, ก่อนเนี่ยนักวิชาการในอดีตนะครับมีท่านหนึ่งที่ถูกถาม มีคนถามว่าทํายังไงที่ฉันจะทําให้หัวใจของฉันมีความกลัวเก่งต่ออหรอทายังไงให้หัวใจของฉันมีความกลัวเก่งสำหรับท่านนั้นตอบว่าไงครับก็ให้คุณใช้จ่ายสิ่งที่หัวใจของคุณกลัวที่มันจะหายไปสิคุณอยากให้หัวใจเกิดความกลัวใช่ไหมคุณก็ใช้จ่ายอะไรก็ตามที่ทําให้หัวใจคุณเกิดความกลัวหัวใจกลัวอะไรกลัวเสียสทรัพย์สินไงถูกไหมครับหัวใจของเราทุกคนเนี่ย รักทรัพย์สินกันละบางตัวให้บูนเน่กันละบางตัวให้บูนันมาละฮกเบนเจ้ามาแต่ถ้าว่าเจ้านั้นรักทรัพย์สินรักแบบรักมากมายหัวใจเรามารักทรัพย์สินแล้วบอกว่าเราอยากให้มีความหวาดกลัวในหัวใจของเราใช่ไหมเราก็ทําอะไรให้หัวใจมันกลัวสิง่ายไหมพี่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนอยากให้หัวใจกลัวก็ทําสิ่งที่หัวใจมันกลัว หัวใจมันกลัวสูญเสียทรัพย์สินเราก็บริจาคทรัพย์สินไปให้หัวใจมันเกิดความเกรงกลัวแล้วเราก็ไปละหมาดเพื่อพวระลอสุภานุวตาละเมื่อ น, นั้นแหละครับหัวใจเราก็จะผูกพันกับพผู้รอดได้แล้วเพราะมันเกิดความกลัวแล้วไงมันเกิดความเกรงกลัวแล้วไงแล้วมันก็จะเกิดอีหมานขึ้นพี่น้องย้าําอีกครั้งหนึ่งไหมพี่น้องย้าําอีกครั้งหนึ่งลองมาไปทําดูเพราะพี่น้องที่ดูครับอีมามกุตตุบีรอยมุมรอนเนี่ยตอนที่ท่านอธิบายอักุราน ที่พูดเลว่ายาเวลดีน้อํานูอิดานาใจตุมุนรอซูลฟักดิมูบปในย่ไดนช่วงาคุมซาดะกะดังนั้นข้ลุลละกุมอัจฮัตฟะอิลลัมตัชดูฟะอิลลอลกัฟุรุรอหิมพูะกล่าว่าไงครับสัทธาชนทั้งหลายพอเราพูดเกี่ยวกับบรราซอบะสัทธาชนทั้งหลายเมื่อใดก็ตามที่เจ้าเสร็จสิ้นกับการพูดคุยกับรอซูลเรื่องใ ด, ดก็ตามเจ้ามีเรื่องมาปรึกษาเจ้ามีเรื่องเดือดร้อนเจ้ามีเรื่องอยากขอความช่วยเหลือ เมื่อไร่ก็ตามที่เจ้าเสร็จสิ้นธุรกิจจากกระศูนเจ้าก็จงบริจาคในระหว่างนั้นก่อนระหว่างนั้นหรือว่าหลังพวกเราสั่งซอบาว่าต้องมีการจ่ายสกัดหลังจากที่มีการพูดคุยกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลว่าอะไรสั้นๆเพราะกล่าวว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีกว่าแล้วสะอาดกว่าสําหรับพวกเจ้าแต่ถ้าไม่มีจริงๆพวกเราก็ยกโทษให้ก็แปลว่าพวกเราบอกว่านี่คือสิ่งที่ควรกระทํา อิมามกุรตบีไรมูลล้อท่านอธิบายว่าไงครับขนาดเวลาเราเสร็จสิ้นธุรกิจกับอัลลอฮ์ขนาดเราเสร็จสิ้นธุรกิจกับท่านระเบียนมัสละครวาเลซัลลัมเรามีธุรกิจเรามีธุระ ก, ก, กับมัคคุลุกด้ยวยกันพวลเราบอกให้เราว่าให้จ่ายสากาดให้จ่ายสารกอนนะเพื่อให้เกิดความบริการขึ้นแล้วเราคิดดูถ้าเราจะคุยกับอัลลอฮ์ล่ะมันไม่ยิ่งกว่านั้นเหรอพี่น้อง เนี่ยคุยกับมนุษย์เนี่ยคุยกับรอสุลุลลอฮ์ของอเลิมสัลามเนี่ยผู้รับบอกว่าถ้าจะคุยนะก็อย่าลืมมีการจ่ายซะกาตไม่ใช่จ่ายให้นบีนะจ่ายให้คนยากจนไม่ใช่ยกให้นบีไม่ใช่ยกให้ผูรู้ยกให้คนสอนบอกป็นบริจากให้คนที่ควรรับนั่นแหละอันนี้พู้อัลลอฮ์สั่งแล้วถ้าเราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์การละหมาดคือการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เรากำลังจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เรามีเรื่องปรึกษาพู้อัลลอฮ์เรามีเรื่องเดือดร้อนเรามีความต้องการเรามีสารพัด ยิ่งไม่ควรจะต้องมีการจ่ายสกาดหรือบริจาคทานก่อนกันนั้นเหลือพันนผมขอสั่งเสียผมขอตักเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องที่ผมรักใครก็ตามที่เขาต้องการจะละหมาดให้มีคุณภาพมากที่สุดดีที่สุดมีความยำเกรงมากที่สุดก่อนจะละหมาด ลองทำการบริจาคที่ออกมาจากหัวใจอย่างแท้จริงที่เราอยากจะช่วยพี่น้องของเราโดยไม่ต้องให้ใครรับรู้นอกจากเรากับพู้อล่นหลังจากนั้นเราก็ไปเข้าเฝ้าพาู้อื่นละอย่างที่ผมบอกครับอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลล์ด้วยความเมตตาของพอละละหมาดนั้นของพี่น้องมีคุณภาพแน่นอนไปลองทำดูครับแล้วอย่าลืมช่วยเอาผลมาแชร์กันด้วยนะครับผมมาแชร์กันด้วยว่ารู้สึกอะไรยังไง แชรในขอบเขตที่ว่ามันจะไม่เป็นการโอ้อวดนะครับผมครับคุณและสายบอกอินชาลอ้ะทำอยู่แล้วครับอินชาลอ้ะครับอินชาลอ้ะครับผมลองดูครับลองดูแล้วผมค่อนข้างมั่นใจครับดีขึ้นแน่นอนครับผมเพราะนั้นพี่น้องครับมองในมุมมองกลับกันในหลักชริอัตจะมีสิ่งที่เรียกว่ามะฟูมุคารลาฟ้านะครับผมที่นักอุตสูรีจะคุ้เคยกันดีเนี่ยมะฟูมุคารลาฟาก็คือมองมุมกลับความเข้าใจแบบอีก มุมนึงเนี่ยด้านตรงกันข้ามเนี่ยแปลว่าไงครับแปลว่าคนที่เขาไม่จ่ายซะ ก, กา t คนที่เขาไม่ชอบการบริจาคเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะละหมาดแล้วมีสมาธิเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้พูดอย่างชัดเจนได้เลยเป็นไปไม่ได้ที่คนไม่จ่ายซะ ก, กา t แล้วจะละหมาดอย่างมีสมาธิเขาจะมีสมาธิได้ยังไงล่ะครับในเมื่อเขามีภาระหน้าที่ที่ผูกพันกับคนอื่น เอามานะที่เอาลอ้อกำหนดให้กับเขาเขายังไม่ทําแล้วถึงเวลาเขาจะไปเขาเ้าฝ้องลอ้อในสภาพไหนละ่ะเขาฟ้องลอ้อในสภาพบ่าวที่ฝ่าฝืนพอวกไงเขาฝ้องลอ้อในสภาพของบาวที่ยังมีภ า, ารากิจอยู่ตัวเองยังไม่ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วไปหาลอ้อบอกอยากล้อฉั ال ال ال ال ال นอยากรวยขึ้นยากล้อฉันอยากมีทรัพย์สินมากขึ้นยากล้อฉันอยากมีลูกหลานเก่งๆอยากมีลูกหลานรวยรวยอยากมีลูกหลานดังๆ แล้วละหมาดของเขาจะมีสมาธิได้ยอย่างไรเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับผมเหมือนกับที่ท่านอบูบคัคเรย์ละวะอันหูท่านประกาศออกมาเขาว่าขอสาบานต่อละฉันจะขอทําการประหัดประหารฉันจะขอทําการห้ำหันกับบุคบคลใดก็ตามที่เขาแยกระหว่างการละหมาดกับการจ่ายสกาดเพราะหลังจากที่ท่านอับดุลมุสลลัลฮฺอีเดัลามเสียชีวิตมุนาฟิกบอกเราไม่จ่ายสกาด อะกาศแล้วจ่ายให้น บ, บีเทนัน้นนบเชีวิตเราไม่ต้องจ่ายซึ่งก็มีซอฮาบะบางส่วนเข้าใจตามนั้นด้วยคือซอฮาบะคือคนที่ดีแต่เขาเข้าใจผิดเกิดชุบาขึ้นเพราะพอมนาฟิกพูดปุ๊บพอไปฟังมาลาฟิกปุ๊บเออมันก็ใช่นะอากาศเนี่ยเอาลอสสั่งบอกว่าไงครับคุชพอเราบอกน บ, บีให้เป็นผู้มาเอาน บ, บีชีวิตก็แปลว่ามันไม่ใช่ไหวนิดแล้ว แต่ท่านอบูบักประกาศยืนกาเลยว่าฉันจะขอประหัดประหารใครก็ตามที่เขาแยกออกระหว่างการละหมาดกับ จ, จ่ายสกาดมันต้องอยู่คู่กันซึ่งซาฮับตอนแรกเนะี่ยมีผู้คัดค้านท่านอบูบักบ้างแต่หลังแต่นั้นทุกคนเห็นพ้องกับท่านอบูบักหมดเลยกลายเป็นอิชมะเลยว่าสกาด ก, กับซอละต้องอยู่ด้ยวยกันการจ่ายสกาด ก, กับการละหมาดต้องอยู่ร่วมกัน เพราะนันพี่น้องจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะรับละหมาดคนไม่ใจสกัดเป็นไปไม่ได้นี่คือมะฟูมัวคอลฟ้ามะฟูมัวคอลฟ้าเมื่อเขาไม่มีคุณภาพใจของเขายังสกโปกอยู่ไม่ได้รับการขัดเกลาวจิตใจแล้วจะละหมาดอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้น อย่าได้แยกระหว่างการจ่ายสากาศกับการละหมาดการจ่ายสากาดพี่น้องพวกเรากำหนดไว้ยิบสำหรับคนที่เขารวยอยู่แล้วเป็นเงินเหลือเก็บมีหนึ่งล้านจ่ายสองหม่้ามีหนึ่งล้านบาทจ่ายสองหม้าว่ามันเยอะหรอคนที่มีหนึ่งล้านในเวลาเขาไปเที่ยวไปทุ่มอย่างอื่นเขาทุ่มได้เต็มที่ แต่เมื่อจะมาเป็นการขัดเกาหัวใจของเขาพี่น้องสังเกตดูคนที่พอได้จ่ายสกัดปุ๊บเนะี่ยไอตอนแรกมันจะมีส่วนหนึ่งในใจที่มันรู้สึกตะขิดตะขวงใจมันรู้สึกเสียดายแต่พอเราได้จ่ายไปแล้วเราจะรู้สึกถึงความโล่งอกผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าทุกคนที่บริาราจาคผู้อื่นจะรู้สึกคล้ายๆกันตอนแรกมันอาจจะรู้สึกฝืนจะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกมันทรมานมนั้นดังนี้มันเอาไปใช้ได้เยอะสอ0 0มนี่อดมึงซื้อได้เยอะเหมือนกันนะถูกไหมครับ ไอตอนแรกมันรู้สึกตะกี้ตะขวงใจแต่พอเราได้จ่ายผมมั่นใจครับว่าแต่ละท่านเนี่ยจะรู้สึกภูมิใจจะรู้สึกดีใจที่ได้จ่ายโดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกว่ามีคนเดือดร้อนแล้วคนเดือดร้อนเนี่ยพวกเรา้อให้เขาได้มีความรู้สึกดีขึ้นโดยให้เราเป็นสื่อผ่านสื่อทรัพย์สินของเราพวกเราให้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุข แล้วพอเราทำามาลีแบร์ามันจะมีความสุขขึ้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆพี่น้องเราจะเกิดความสุขอย่างแท้จริงมันไม่ใช่หนึ่งแสนที่เราทุ่มกับการไปเที่ยวไม่ใช่วาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวอาเลสซาและพัดหมดไปเป็นแสนเป็นล้านความสุขเหล่านั้นพอกลับมาบ้านหายหมดพี่น้องอาจจะเหลือรูปที่กลับมาดูอาจจะเหลือนั่นเหลือนี่แต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่มันจีิรังอย่างนั้นนะพี่น้องแต่ถ้าความสุขที่เราได้ช่วยใครสักคนตามที่องค์ล้อกําหนดไว้ มันจะเป็นความสุขที่มันจะยกระดับหัวใจของเราจิตใจของเราให้สูงขึ้นพี่น้องเรื่องการขัดเกาเนี่ยตัสกิยาเนี่ยพี่น้องเป้าหมายไม่ใช่เพื่อแค่จะขัดเกาว์เฉยๆนะกอตอฟละฮามันตัซกเนี่ยคนที่เขาขัดเกาเขาพบกับความสำเร็จแล้วเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าโอเคเท่านีน้ทำไมฉันต้องทำตามรูปแบบอิสลามได้ฉันนั่งสมาธิก็ได้อะ นั่งวิปัสสนาฉันทําอะไรก็ได้ฉันรู้สึกว่าใจฉันสงบเหมือนกันถามว่าสิ่งเหล่านั้นเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือแค่ให้ใจสงบถูกไหมครับมันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนอกจากตัวของมันเองแต่สําหรับมุสลิมการขัดเกานั้นมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะครับพี่น้องการขัดเกลวของเราเราขัดเกลวเพื่อให้อัลละฮ์รักเรา เราขัดเกลาเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเป้าหมายต้องชัดเจนเวลาเราจะขัดเกลาจิตใจตนเองเลยพี่น้องเป้าหมายต้องชัดนะเพราะถ้าเป้าหมายไม่ชัดโอกาสที่มันจะหลุดสูงเหมือนคนที่ขัดเกลาจิตใจเพื่อดุจยามันก็จบแค่ดุจยาถูกไหมครับเขาก็ได้แค่ในดุนยาจบแค่ดุนยาเราอยากจบแค่นั้นเอยเราอยากแค่ใจสงบอาง่านงันก็นั่งสมาธิเอาใจสงบบางคนบอกใจสงบยิ่งกว่าตอนละหมาดอีก ตอนละหมาดไม่เห็นใจสงบเลยแต่พอนั่งสมาธิปุ๊บหลับตานั่งคิดถึงนั่งคิดถึงนี่นั่งใครควรฉันมีสมาธิกว่าแปลว่าอีมานยังไม่เข้าไปในหัวใจของเขาเลยการที่เขาละหมาดแล้วเขายังไม่พบกับความส ง, งบของหัวใจแปลว่อาอีมานไม่เข้าไปในหัวใจของเขาเมื่ออีมานไม่เข้าไปในหัวใจของเขาเป็นไปไม่ได้ที่เขาละหมาดแล้วเขาจะส ง, งบกรับพี่น้อง พราะการละหมาดเนี่ยจำเพาะสำหรับผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นก็อตอัฟแลนมูมีนูนเพกการาะว่าเขก่าว่าไงผู้ศรัทธาเนี่ยคือผู้ที่ได้ประสบความสําเร็จแล้วทําไมเขาประสบความสําเร็จครับ <S <S เขาคือผู้ที่เมื่อเขาละหมาดเนี่ยเขามีความห ว, ว, วาดกลัวหวาดกลัวยังไงล่ะทําไมใจสกัดเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ขัดเก้าจิตใจจะมีความหวาดกลัวไหมก็เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆอันตรายมากๆเลยที่ว่าเหตุที่ทําให้คนที่ไม่ยอมใจสกการดเนี่ยไม่มีความสุขในการละหมาดนี่อันตรายที่สุดแล้วเพราะพอไม่มีความสุขเขาก็ไม่อยากละหมาดพอไม่อยากละหมาดนั่นคือหายนะแล้วถูกไหมครับเราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากทํายังไงให้ละหมาดแล้วรู้สึกมีความสุขหัวใจมันต้องสงบหัวใจมันต้องสะอาดก่อนทอํายังไงให้หัวใจสะอาดบริจาคสิ ช่วยเหลือในสิ่งที่เราทําได้เราไม่มีเงินเราบริจาครูปแบบมีเป็นมหาศาลที่อัลละฮฺจะรับพิพงศ์จะรับเรายิ้มให้กับผู้อื่นนี่ก็คือการบริจาคเรามีอาหารเยอะหน่อยแล้วแบ่งปันขนมชิ้นสองชิ้นนี่ก็คือการบริจาคเขากําลังเดือดร้อนเขายกของหนักไม่ไหวเราไปช่วยเขายกของนี่ก็คือการบริจาคบางคนคิดว่าฉันไม่มีตังค์ทั้งๆ ท, ท, ที่มีเงินเต็มกระเป๋า บางคนบอกฉันบริจาคไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่มีแผนกําลังจะไปเที่ยวหมดเงินเป็นพันหมดเงินเป็นหมื่นไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรเลยนอกจากหัวใจที่สกรปรกของเราต่างหากที่มันรังเกียจความดีครับพี่น้องย้ํามีเพียงหัวใจที่สกรปรกเท่านั้นที่จะรังเกียจสิ่งที่สะอาดเพราะฉะนั้นใครรังเกียจการละหมาดใครรังเกียจการจ่ายสกาด ใครรังเกียจสิ่งสะอาดที่พวกล้อกำหนดมาให้ชอบสิ่งที่สกโปกชอบทำซินาชอบยุ่งกับอบายมุกชอบเรื่องเสียงเพลงชอบเรื่องของการดื่มสุราชอบเรื่องดอกเบี้ยขอให้รู้เลยว่าเพราะหัวใจที่โสกโปกมันก็จะชอบสิ่งที่สกโปกและหัวใจที่สะอาดก็จะชอบสิ่งที่สะอาดแล้วแน่นอนครับหัวใจที่สะอาดย่อมเกลียดชังสิ่งที่โสกโปกแล้วหัวใจที่โสกโปกย่อมเกลียดชังสิ่งที่สะอาด เพนื่องจากสุราณีพี่น้องเราตรวจสอบตัเองได้เลยว่าหัวใจเราเนี่ยจัดอยู่ในประเภทไหนเป็นหัวใจที่ยังจะพอมีแววสะอาดได้ไหมหรือเป็นหัวใจที่สกปรกจนหมดหวังแล้วเราต้องตรวจสอบตัวเองผมตรวจสอบหัวใจพี่น้องไม่ได้เพราะผมไม่รู้จักพี่น้องพี่น้องก็ตรวจสอบหัวใจผมไม่ได้เพราะพี่น้องก็ไม่ได้มานั่งในหัวใจของผมที่นั่งในหัวใจของผมมันก็มีไข่ไชตอนเนี่ยที่มันคอยยุ่ใหญ่ให้ทำความชั่วก็อฟลาฮามันตซ แก่ผู้ที่จะประสบความสำเร็จคือผู้ที่ต้องขัดเกลาวัลยะการัสมาลบบีฟัลซอแล้วก็ต้องํำลึกถึงนามของผู้วิบากของเขาแล้วก็ต้องทำการหลับอันนี้ความรู้เสริมครับพี่น้องให้เป็นของแถมนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ว่าพอจะรู้ภาษาหลับบ้างพี่น้องบางคนอาจจะติดใจนะครับเวลาเรียนภาษาหลับสับคำที่เราได้ชาวนาชาวนาภาษาหลับเรียกว่าครับอัลฟัลลาหู ผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงครับคําว่าชาวนาเนี่ยภาษาหลับไม่ได้แปลว่าผู้ที่ปลูกไม่ได้แปลว่าผู้เก็บเกี่ยวแต่ภาษาหลับเรียกว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเรียกว่าฝันละ้าไม่ชาวนาถูกเรียกว่าฝันละทำไมชาวนาถูกเรียกว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่ต้องคิดอะไรมากพี่น้องชาวนาทําอะไรละ่ะชาวนาเอาเมล็ดหนึ่งมล็ดมาปลูก แล้วจากเมล็ดหนึ่งเมล็ดเนี่ยมันงอกเงยมาเป็นกี่รวงล่ะถูกไหมครับเหมือนที่จะพูดล่าเปรียบเทียบคนที่บริจาคพูดเก่าอย่างงี้ครับเปรียบเทียบผู้ที่บริจาคเนี่ยก็เหมือนกับผู้ที่อา่ามัสลุลละดีนะยุงฟิกูนัมวาลุฟีสบิลคกามาตีฮับบาตินก็เหมือนกับคนที่ปลูกมเมล็ดไปแล้วมเมล็ดนี่ยอัมบัตสซับอัสนาบินแยกออกมาเป็นเจ็ดรวงในแต่ละรวงน่ยมีอีกร้อยเมล็ดประสบใช่ชนะไหมล่ะพี่น้องลงทุนไปหนึ่งได้เจ็ดร้อยอ่ะพี่น้องว่ามีธุรกิจไหนที่ได้เยอะอ ย, อย่างี้มัง ลงไปลงทุนไปแสนได้เจ็ดสิบล้านนี่เงี้ยลงทุนไปหนึ่งล้านได้700ร้อยล้านเพราะนั้นฟันลาจึงถูกเรียกว่าเป็นฟันลาผู้ที่ประสบชัยชนะเพราะนั้นพอเราดูปุ๊บนี่คือความเมตตาของล้อใช่ไหมพอล้อให้เราเห็นเลยลงไปหนึ่งเม็ดงอกเงยมํามหาสารแล้วฟันลาไม่ใช่แค่ประสบความสำเร็จให้กับตัวเองทําให้คนอื่นประสบความสําเร็จไปด้วยทําไมเรามีข้าวกินครับหลังจากความเมตตาของล้อก็เพราะ ชาวนาเพาะป ล, ปลูกข้าวให้เราเราก็เลยมีกินเราก็เลยมีความสุขเราก็เลยมีความสุขไปด้วยประสบความสำเร็จไปด้วยเรามีขนมปังกินเรามีอาหารหลักกินเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงฟันนะมุสลิมเราจะคิดอะไรต่อมุสลิมต้องไม่สูญเสียโอกาสที่เราจะได้สาระดีๆจากสิ่งที่เรากาลังคิดอยู่เพ ร, ราระว่าเก่าวในกุฎาริสลาวากิลครับ أفعل أ a ت م ما تحرسون أأنتم ت ز เพราะกล่าวในข้อแรกาว่าเจ้าไม่ได้เห็น้วยในสิ่งที่พวกเจ้าเพาะปลูกกันไปเนี่ยเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นผู้เพาะปลูกหรือเราเป็นคนเพาะปลูกพอล้อถามให้มุสีบได้ช เราอาจจะคิดว่าเราเน่ลงทุนรุนแรงเราเหนื่อยแล้วเราพรวนดินนั้นเราเตรียมดินนัเราเตรีย ม, มเมล็ดนะเราเอามเมล็ดมาปลูกเราเสียบไว้เราลดน้ําแล้วทําแค่นั้นเลยที่เหลือมเมล็ดเนี่ยที่มันตายไปแล้วเนี่ยทำไมมันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตกลายเป็นต้นไม้ทําไมมีรากทําไมมีต้นทําไมมีรวงทําไมมีใบทําไมมีผลผลิตเห่งประโยชน์แกเราพื่อนรัถามเอาคิดไหม แอมตุมตาซราอูนะฮูอัลนาหุซาดิอูนพวกเจ้าเป็นผู้พบผะปูกหรือเราอัลลอฮ์เป็นผู้พอปลูกกันเนี่ยเอาจริงๆเอาจริงๆเราแค่พยายามในส่วนฉาบฉวยผลผลิตทั้งหมดมาจากผู้อับสุบาลแต่พวกเราะเก่าไงครับถ้าเจ้ายัางดื้อย อ, ยอยู่ยังคิดว่าฉันน่ยเป็นคนปูกเองคนเราบอกครับเราเนี่ยชะหากอัลลอฮ์ต้องการเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะมันกลายเป็นซากแห้งสังกตายเพราะเราทําได้ไม่ทําได้บางทีเราปูกุ๊็ ปีไหนแห้งแล้งมากๆเกิดอะไรครับความเดือดร้อนผลผลิตไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้เดือดร้อนแต่ลงกครปลูกพราะเราปลูกไงเพราเราบอกหากเราต้องการน่ยเราก็คงจะทําให้มันแท้งเหี่ยวแล้วก็ให้พวกเจ้าเนี่ยอยู่ในสภาพที่งงงวยทําอะไรไม่ถูกแต่พราะเราทำไม่ใช่พราะเราเมตตากับพวกเรามากกว่าที่เรานั้นจะจินตนาการได้เพราะนั้นพี่น้องที่รักครับก็อฟลาฮามันแตซักกะ ว่าดะกะรอสมารอปบิฮิฟอซันเนดังนั้นผู้ที่เขาขัดเกาจิตใจของเขาเนี่ยเขาพบชัยชนะอย่างแท้จริงคือผู้ที่ล้ำลึกถึงนายของเขาแล้วก็ทําการละหมาดความหมายทั้งหมดที่น้าชายการพูดผมได้บอกไปแล้วซึ่งทั้งหมดนั้นก็อยู่ในความหมายของทั้งสองอายานี้ซึ่งพี่น้องที่รักยิ่งครับการขัดเกาว่าริที่เราได้ยินกันคุ้นเคยมากที่สุดในหยมุสลิม อัล ด, ดีนุนัสีฮ์คุลนัลิมันลิลลาฮิบริคิตาบิบริรัสูลิอิมติมุสลิมนะวะอามัติหิมฮะดสีเราได้ยินเป็นประจำครับที่ท่านนบีมมัสละลอยส ล, ลัมบอกครับว่าศาสนานั้นคือความบริสุทธิ์ศาสนานั้นคือการขัดเกลาให้สะอาดอัดนนะซีฮะที่แปลได้เช่นเดียวกันว่าการตักเตือนเนี่ยะครับผมแต่ะซีฮะความหมายจริงๆก็คือความสะอาดความบริสุทธิ์อั ด, ดีนุนัสีฮศาสนานั้นคือการต้องทาให้สะอาด ซอไบนินก็ถามในเราสูลร้อนเราจะทาใจเราให้สะอาดเนี่ยเพื่ออะไรบ้างบางทานอยบอกว่าเพื่อร้อนอย่างเดียวสิท่านอบีไม่ได้บอกว่าเพื่อแค่เพื่อเพื่อร้อนสบายใจอย่างเดียวเพื่อร้อท่านบเียบอกครับลิลลาฮิวะลิกิตบาบวะลิริฮิวะลิอมะมมิมุสมีนะวะอามาัมาติมอย่างนี้กันเพื่ออารอก็คือต้องมีความบริสุทธิ์ใจไม่ทาชีริกไม่โอว้วัดวะลิกิตาบีเพื่อ ความสะอาดนี้เพื่อคัมภีร์ของพง ก, ก็คือต้องทําตามที่บทบัญญัติบอกไว้ไม่คิดบทบัญญัติขึ้นมาเองวาลิรสูและฮีเพื่อศาสนาทูตของพงค์ก็คือไม่ทําบิดาควาลิอาอิ ม, มตินมุสลิมีน่าต้องมีการขัดเกลวผู้นาผู้นําทําผิดต้องกล้าเตือนไม่ใช่เตือนแต่คนที่ไม่มีพาวเวอร์พอคนใหญ่คนโตทําผิดปุ๊บไม่กล้าเตือนต้องกล้าตะเตือนต้องกล้าที่จะขัดเกลวพวกเขาให้เขาอยู่ในร่องรอยของอิสลามวาลิอามาติหิม ความสะอาดนี้ก็ต้องมีการขัดเกลาทุกคนต้องมีการตักเตือนกันต้องมีการส่งเสริมให้ทําความดีนี่คือความบริสุทธิ์ของอิสลามนี่คือมันตะสักการยินชาวละครับพี่น้องวันนี้เราพูดคุยกันในช่วงหนึ่งหวังว่าพี่น้องจะได้สาระในระดับหนึ่งคุณนรสนารสันให้กำลังใจมาขอบคุณมากครับแล้วก็คุณแม่ยุยสลามาก็อวยคุณสลาอัลลอฮฺะวะบารอกะตุนะครับผมก็ยินชาวละครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของ วะยะกะรอสมารอบบีฮีฟาซัลละผู้ที่รำลึกถึงนามของนายของเขาผู้ที่รำลึกถึงนามของนายทําไมต้องรำลึกถึงนามของนายของเขาทําไมไม่ใช่แค่รำลึกถึงนายขเขาก็พออินชาอัลลอฮ์ครั้งหน้าเรามาคุยเรืประเด็นของอายะฮ์ที่สิบห้ากันครับผมซึ่งก็ขอด้วยจากพระลอสสุบฮานูวาตาลาครับผู้ทรงสูงทรงผู้ ส, ง ส, ง ส, งสงูงยิ่งใหญ่ผู้เป็นพระเจ้าองคงเดียวของเราผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพคกผู้ที่ไม่มีบิดามไม่มีบุตร ขอเดีย๋ยวเจาะอวสุประหารหวใจเราครับให้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ขัดเกลาจิตใจของเราให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้ขัดเกลาจิตใจของเราด้วยกับรูปแบบต่างๆที่เป็นรูปแบบที่องค์นั้นทรงรักขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้บริจาคให้เรานั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้รำลึกถึงพระองค์รำลึกถึงพระนามต่างๆของพระองค์ได้ศึกษานามต่างๆของพระองค์ได้เข้าใจรู้จักพระองค์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ขอให้เราเป็นหนึ่งในบ่าวที่เขาได้รักษาการละหมาดของเขาไม่ว่าจะเป็นละหมาดเวลาใดก็ตามจะเป็นละหมาดวันศุกร์ละหมาดวันอีดหรือละหมาดใดๆก็ตามทั้งที่มันเป็นวายิบสําหรับเราแล้วก็เป็นสุนทรสำหรับเราขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่สามารถรักษาการละหมาดได้ขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่่วาประสบ ความสําเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าเราจะมีข้อบกพร่องถึงแม้ว่าเราจะมีความผิดพลาดถึงแม้ว่าเรานั้นยังคงทําบาปอยู่ยาวล้อปวดยุบเพลทให้กับเราปวดเมตตาให้กับเราโปวดให้ภัยเรายาวล้อผู้ใดก็ตามในหมู่ของพวกเราที่เขายังมีนิสัยปวดช่วยปวดเพื่อนนิสียออกไปจากเขาใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพยาวล้โปวดให้ความเข้มแข็งโปวดให้ความมั่นคงแก่เขาแล้วก็โปวดรักษาเขาให้เราพ้นจากโรคภัยต่างๆน่นด้วยความเมตตาของพระองค์ใครก็ตามที่มีความทุกข์เศร้ายาวล้อช่วยปลอบประโลม ปวใจให้กับเขาใครก็ตามต้องการทางออกยาวล้อปวดให้ทางออกแก่เขายาวล้อใครก็ตามในหมู่ของพวกเราที่หลงผิดไปปวดนำทางเขาใครก็ตามในหมู่พวกเราที่ทำผิดปกยงคนกับเขาใครก็ตามในหมู่ของพวกเรายังไม่เข้าใจปวดให้เขาเข้าใจแล้วใครก็ตามในหมู่ของพวกเราที่ยังทำไม่ได้ปวดให้เขาทำได้ขอให้เรานั้นเป็นบ่าวที่รักพระองค์ รักการงานใดก็ตามที่จะทำให้พงรักเราแล้วก็รักกลุ่มชนใดก็ตามที่พงรักได้เถิดอามนครับอกูลกาลีฮาะวาซาฟุลลอฮะลิวลักุมวลิสาอิลมุสลิมีนาเมนคุลดามซควิอูอินหู والقفور อะลัยฮุมสุบฮะระกัลลอฮ์มัยฮัมดิกะอัลฮะดุอัลไลนตะัวะตูไสลามุลกุมตุลลอฮวาบารกาตูครับผมจนกว่าจะพบกันในครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮครับ